เกิดมาแล้วต้องถ่ายแสงลืมคิดแน่สนิดสักวันนี้อาจทนแต่ก่อนไปใจห่วงพุงกังวลจำอยู่ทนแค่ไหนนานเท่าไรจะมีใครดูแลยามแกเทาหากจับเจ้าติดเตียงไม่เคลื่อนไหวยามขี้หิวเกลื่อใครสนใจ ยิ่งไหนใครหามาปอนเรารคปใจป่วยใครครั้งสุดท้ายทิ้งทอดกายท้งไหนก่อนถูกเขาจะวางไวเมื่อไรสึกขาดเดาชีวิตเราบ้นใกล้เลือทุกทอนเลือกไม่ได้เกิดไม่เป็นชนไหนทิแน่ใจไม่อยากเกิดอีคน s o าหากจับเจ้าติ ด, ตด I'm not sure. Of oh, now.